ส่วนในทาวารอื่นทาวารจมูกเนี่ยนะทาวารจมูกทาวารลิ้นทาวารกายเขาเรียกว่ามุตตะมุตตะเรื่ส่วนใหญ่แปลวา่าทราบที่แปลวา่าทราบนี้อารมณ์อื่นๆเนี่ยนะเอาทาวารตาก่อนถ้าธรรมาจะมองเห็นผู้การธงชัยเนี่ยตัวผู้การธงชัยไม่ต้องเข้ามาอยู่ในดวงตาจึงจะมองเห็นนะนั่งอยู่ไกลก็มองเห็นได้อันนี้อารมณ์ไม่มาถึงตัวเสียงที่พูดก็เหมือนกันไอตัวเสียง ที่อยู่ที่ฐานเดิมไม่ต้องมาวิ่งเข้าหูนนะนะเพราะฉะนั้นจะออกมาในรูปแบบเป็นคลีเสียงเป็นคลื่นออกมาเพราะฉะนั้นต้นเดิมเนี่ยไม่ต้องมาถึงมาถึงตัวหูจริงๆนะก็จะได้รับสืบทอดสืบพอดกันมาเพราะฉะนั้นตากับนะสีกับเสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เข้ามาถึงตัวส่วนกลิ่นรสกับโพธพภาอันนี้ต้องเข้ามาถึงตัวจริงๆ เช่นกลิ่นตัวเนี่ยนะต้องลอยมาถึงตัวจึงจะได้กลิ่นถ้าตัวกลิ่นในตัวเนี่ยไม่มากระทบจมูกนะจะไม่ได้กลิ่นเด็ดขาดอาหารเหมือนกั น, นจะมองเห็นอู้อาหารนี่อร่อยเหลือเกินเนี่ยต้องเอาอาหารเนี่ยมาแตะในลิ้นจึงจะรู้ได้ความเย็นความร้อนเนี่ยต้องเอาไปแตะเนะต้องรับกระทบแล้วจึงจะรู้ได้ไม่เหมือนทวานอื่นทวานอื่นนั่งอยู่ไกลๆก็ได้ยินได้ นั่งอยู่ไกลๆนี่ยอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยใครเคยเห็นดวงอาทิตย์มาเข้าตานี่แย่เลยนะแต่ถ้าหากว่าความร้อนไม่ได้ต้องมาเข้ากับตัวจริงๆจึงจะจึงจะร้อนกลิ่นต้องมาถึงคานาภาษาทะจริงๆ จ, งๆจึงจะได้กลิ่นรสเนี่ยต้องมาถึงลิ้นจริงๆเนี่ยนะจึงจะรูร้รสสามทวา น, นี้ท่านใช้คําว่าทราบหรือว่ามุตศัพท์ไทยใช้คําว่าทราบเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าทวานใจนี้ใช้คําว่ารู้ เนี่ยนะรู้ได้งั้นก็เลยกล่าวไว้แค่สี่ทวารทวารที่เห็นทวารที่ได้ยินทวารที่ทราบแล้วก็ทวารที่รู้เนี่ยนะอย่างเช่นคนบางคนก็บอกเห็นไหมบางคนก็มุสาวาตก็คือบอกว่าไม่เห็นอ่นะได้ยินไหมบอกว่ามุถ้ามุสาวาตก็บอกไม่ได้ยินทราบไหมอันนี้สามทวารเลยทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทราบไหมถ้าบอกว่าทราบหรือว่าไม่ทราบ ทวารใจเนี่ยนะรู้ไหมเช่นพวกบัญญัติทั้งหลายแหละเนี่ยรู้ไหมอันนี้ใช้คำว่ารู้เนี่ยนะวิญญาตแปลว่ารู้อันที่น่าพิเศษนั้นก็คือไอ้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายนั้นอารมณ์ต้องมากระทบกับประสทะนั้นจริงจึงจับทราบได้ ในข้อนี้มีอธิบายดังนี้ว่าอาวัชนาจิตย่อมไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงฉันใดเราจะพักจิตโดยประมาณแห่งอาวัชนาจิตเท่านั้นไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้วยความกำหนัดเป็นต้นอย่างเช่นมโนทวาราวัชนาจิตเนี่ยนะเกิดขึ้นที่จะรับรู้อารมณ์ทางมโนท ว, วารมโนทวารวัชนาจิตจะเกิดก่อนมโนทวาราวัชนจิตจะไม่มีโลภะไม่มีโทสะ ไ, ไม่มีโมหะ เขารู้อารมณ์ได้ทุกอารมณ์เขาบอกว่าจิตที่เหมือนสัพพัญญุตยานเลยนั่นแหละไอ้คือมโนทวารวัชนาจิตไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้ว่างั้นเขารู้หมดอหะเมื่อเขารู้หมดอย่างนี้เนี่ยเขาจึงจะคิดอารมณ์เนี่ยโดยที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะทีนี้จะเจริญกุศลจิตอย่างไรให้ไม่มีราคะโทสะโมหะเหมือนกับอาวชนาจิตอันนั้นแล้วพระองค์ก็สรุปว่า เอวันหิเตพาหิยะสิกขิตพังความว่าพาหิยะเธอพึงศึกษาโดยคล้อยตามสิกขาทั้งสด้วยปฏิปทาอย่างนี้เนี่ยนะในปฏิปทาคือเห็นได้ยินรู้กลิ่นเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าทราบทวารจมูกลิ้นกายแล้วก็ทวารใจที่เรียกว่ารู้ศึกษาโดยคล้อยตามอธิศิลและสิขกาาสขาศึกษาโดยคล้อยตามอธิจิตศิขา ศึกษาคล้อยตามอาิปัญญาสิกขาดังนี้นั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกอารมณ์อันแตกต่างโดยประเภทอารมณ์6พร้อมทั้งวิญญาณกายะหอย่างย่อและตามความพอใจของพาหิยะนะเขาตราสรุมมากเลยไม่ต้องพูดทั้ง6หรอกพูดแค่4ี่ก็พอแต่ก็กลุ่ม6เสวัสดิ์ฉลาดที่สุดางนั้นเลด้วยวิปัสสนาโดยโกทาสสะทั้งสี่ มีรูปอันตนเห็นแล้วเป็นต้นแสดงวิปั ส, สนาแค่สี่เนี่ยนะสีเขาบอกว่าทิฏฐะคืออารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบและอารมณ์ที่รู้เนี่ยนะแล้วจึงทรงแสดงยาตะปริญญาและตีรณปริญญาในข้อนั้นแก่เธอข้อควา ม, มาเมื่อกี้เนี่ยคือปริญญาสามนั่นแหละถามว่าเป็นอย่างไรเพราะว่า ในข้อนี้รูปารม์อันชื่อว่าทิฏฐะเพราะอาจว่าอันจกักขูวิญ ญ, ญาณเพิ่งเห็นส่วนจกักขูวิ ญ, ญญาณพร้อมทั้งวิญญาณที่เป็นไปในจกักขูทวานนั้นชื่อว่าทิฏฐะเพราะอาจว่าเห็นสีคือสิ่งที่ถูกเห็นจกักขูทวานวิถีเป็นจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทั้งหมดนั้นถ้าจากักขูวิญ ญ, ญาณทําจิตเห็นใช่ไหมจิตที่เหลือเนี่อรับรู้อารมณ์นั้นแต่ไม่ได้เห็น แต่ว่าจักรคูทวารวิถีทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าทิฏฐ์เหมือนกันเรียกว่าเห็นเหมือนกันโดยเชื่อนะแต่ว่าทํากิจคนลกิจแต่ก็เรียกว่าเห็นเหมือนกันแม้ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเพียงธรรมะที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นในข้อนี้ใครๆจะทําเองหรือให้ผู้อื่นทําก็หาได้ไม่มีใครไปทําตาให้เกิดไหมมีใครไปทําสีไหมมีใครไปทไําไห้ ได้ยินเกิดไหมเพราะฉะนั้นในคมภีวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านอธิบายความเกิดขึ้นของนามธรรมาและรูปธรรมเนี่ยนะฟังแล้วก็ชอบใจท่านบอกว่าเสียงเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากกลองเสียงไม่ได้เกิดจากไม้ตีกลองแต่ว่าไม้ตีกลองเนี่ยนะไปตีกับกลองเสียงก็เลยดังมันก็เหมือนเสียงตบมือไงนะอถามว่าเสียงอยู่ที่มือซ้ายใช่ไหมเสียงอยู่ที่มือขวาใช่ไหม แต่ว่ามันกระทบกันแล้วมันเกิดเสียงขึ้นมาจิตที่เห็นเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ตาจิตที่เห็นไม่อยู่กับสีแต่การเห็นทั้งตากับสีประจวบกันเข้าการเห็นก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะจิตเห็นแต่ว่าไม่อยู่แค่เห็นวิธีจิตขณะเห็นก็จะเกิดสื่อไปแต่ว่าตาก็เกิดจากปัจจัยสีที่เห็นก็เกิดจากปัจจัยจิตเห็นทั้งหมดเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยนะ จะขู่ภาษาทา่ก็เกิดจากปัจจัยต่างหักเลยนะมาคนลังงานเลยอะ่ะสีก็มาจากคนละสีเลยถ้าอยากเห็นยอมเนี่ยมาจากคนละคนละบ้านเลยมีบางพ่านมาบ้านเดียวกันนะนั่นแหละมาคนละบ้านเลยแล้วไอจิตเห็นเนี่ยนะมาจากคนละกรรมเลยเหมือนกันสมมุติถ้าจะมาเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยนะไอจิตเห็นเนี่ยกรรมคนละอย่างเลยนะมาให้ผลเห็นผู้การอย่างนี้ก็กรรมอีกกรรมหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมาให้ผลในการเหน็นเนี่ยนะ กรรมคนละอย่างคนละอย่างมามาเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นจริงอยู่ในข้อนี้มีอธิบายดังนี้ว่าจักรคูวิญญาณนั้นชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีแล้วกลับไม่มีแล้ก็เหมือนกับสมมุติเมื่อกี้เนี่ยทฤษฎีที่ว่าเสียงไม่ได้อยู่ที่มือซ้ายไม่ได้อยู่ที่มือขวาพอกระทบดังปั๊บเสียงก็เกิดถ้าไม่กระทบอีกเสียงก็ไม่เกิด เห็นเหมือนกันนะสมมติถ้าเห็นหนึ่งสีเนี่ยนะวิถีจิตก็หนึ่งวิถีสมมุตินะเห็นสิบสีก็สิบวิถีถ้าดูผ้าลายเนี่ยนะถ้าดูทุกลายเนี่ยคนละ ว, วิถีแล้วนะใช้ความคิดคนละชนิดคนละชนิดคนละชนิดตามแต่อารมณ์นั้นๆถ้าเห็นคนสิบคนก็เท่ากับว่าสิบความคิดเห่งนั้นเถอะเห็นพันคนก็พันความคิดเนี่ยนะเห็นล้านคนก็เป็นล้านความคิดไปเลย ทีนี้ในคนคนเดียวถ้าเห็นแต่ละครั้งนี่ก็คนละความคิดนะไม่ใช่อันเดียวกันคนละนัยยะแต่ว่าดูเหมือนคิดเดิมๆ เ, เพราะไอ้อุปนิสัยที่เคยคิดไว้ก่อนเป็นให้ปัจจัยให้ความคิดหลังๆเกิดขึ้นเนีย่ยนะแนวความคิดดูเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมหมดนะทุกคนจะมีแบบฟอร์มคือคิดเท่าเดิมฉลาดเท่าเดิมพัฒนาไม่ได้แต่ความคิดเน้นถ้าอบรมแล้วสามารถที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกได้ ถ้าอบรมจิตได้ก็หลุดพ้นจากอาสวะได้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าไอ้วิถีจิตเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงนะถ้าพูดตามอายตนะอายตนะวิพังเนาะพ อ, องตรัสว่าจักขโไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ท่านนี้ก็ประยุกต์มาตามสูตรนี้เขาบอกจักขูวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะถ้าทวารอื่นนะหูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเสียงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโสตะวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจมูกไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา กลิ่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรปนปนนวปรปนไป like, เป็นธรรมดาขานวิญญนะาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่นะลิ้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงเาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยนะันเป็นทุกข์เนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า น, านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราที่จริงจะแสดงสองอย่างนี่นะมีอัตเหมือนกัน อย่างเช่นจะบอกว่าลิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ม, มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนัน้อย่างหนึ่งนะกะีกใช้อีกศัพบหนึ่งว่าลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพูดสองอย่างนี้เข้าใจเท่ากันจะต้องเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนะสูตรมีอยู่เหมือนกัน แปลว่าหลีกเลี่ยงการใช้คําซ้ำซากก็ว่ากันเพราะฉะนั้นรถก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาชีวหาวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธพระแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา กายวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามณะหรือมโนนี่นะผวังอวัชชนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาธมาธรรมะธรรมะถ้าใช้คําว่าธรร ม, มะนี่กว้างถ้าใช้คําว่าธรรมารมณ์นี่แคบน่อยนะธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามโนวิญญาณคือความคิดเนี่ยนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ม, มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเขาไม่เที่ยงเพราะอะไรมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกเพราะอะไรทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เนี่ยนะเป็นทุกเพราะทนได้ยากเขาบอกว่าโอ้โหความทุกนี่คืออะไรบอกทนได้ยากเอาแล้วความสุขทนยากไหมล่ะทนยากสิเพราะไม่อยู่ตามสภาพเดิมความสุขก็ทนยากเพราะมีความสุขไหนที่อยู่ในสภาพเดิมบ้างใช่ไหมเคยหัวเราะใครหัวเราะได้ตลอดบ้าง ในเสียงหัวเราะจิตที่ทําให้หัวเราะก็ทนยากเพราะไม่อยู่ในสภาพเดิมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นท่านจงใคร่ครวญพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคอะไรพูการคล่องนะเป็นดังหัวฝีเหมือนกันหมดเลยนะเมื่อไหร่น้อจะเห็นทั้งรูปประธรรมแนะนามาทำเป็นเหมือนฝีหมดเลยนะเขาบอกว่าที่เป็นอนัตตาเพราะว่าไม่เป็นไปตามอํานาจ ทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากปัจจัยทั้งหมดเลยนะเกิดจากปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เป็นไปตามอำนาจแต่ถ้าใครหาปัจจัยได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเช่นตาเนี่ยนะตานี่เป็นอนัตตาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดทำกรรมเพื่อให้มีตาใสเขาจะได้ตาใสถ้ารู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งตาอย่างผิวพรรณก็เหมือนกันเนี่ยเกิดจากสีนะสีเกิดจากปัจจัยแต่ถ้าหากว่าคนรู้ปัจจัยเนี่ยนะ ไมเคลแจ็คสันยังผิวเหมือนไข่เลยใช่ไหมจากดำปีอ่ะเพราะเขารู้ปัจจัยเนี่ยนะเพราะแพทย์นะรู้ปัจจัยไมเคลแจ็คสันมีปัจจัย <c oughs> ผิวเลยเปลี่ยนเลยแต่ว่าห้ามตากแดดนะ น, นั่นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดจากปัจจัยทั้งนั้นเลยเมื่อเกิดจากปัจจัยผู้ใดเข้าใจเรื่องปัจจัยก็ทําสิ่งนั้นมีได้แต่ถ้าปัจจัยอุปธรรมอยู่ก็อยู่ต่อไปได้ยกตัวอย่างเทวดานี่นะเป็นหนุ่มอยู่ พันปีทิพย์อย่างเงี้ยนะเป็นสาวอยู่พันปีทิพย์อย่างเงี้ยเฉพาะดาวดึงนะเพราะเขาจะอยู่อย่างนั้นเพราะปัจจัยให้อยู่แบบนั้นอยู่ทรงอยู่ได้แต่ว่าไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นต้องจุตินะเว้นว่เกิดใหม่อีกครั้งก็จะได้อยู่อีกพันปีทิพย์อย่างเงี้ยถ้าเกิดใหม่อย่ายงท่าสา ก, ก่าเนี่ยก็อยู่ตลอดพันปีทิพย์ traveled. หมดบุญพอดีเลยหมดบุญก็ตายตายแล้วเกิดเป็นท่าสา ก, ก่าใหม่ก็อยู่อีกพันปีทิพย์อย่างเงี้ยก็อยู่อีกยาว อันนี้ก็ถ้าเข้าใจปัจจัยแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากปัจจัยแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากการประ die, ชุมพร้อมํานวนไทยๆใช้คําว่างานเลี AH ้ยงก็เลิกรา่นะมันจะไปเลี้ยงกันได้ทักเท่าไหร่เชื่อนะเยังก็เลิกละชั้นใดก็ดีไอปัจจยุปบรรธรรมหรือธรรมะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะเมื่อปัจจัยอย่างใดส่วนใดส่วนหนึ่งพร่องไปเป็นเหตุให้ส่วนอื่นๆพร่องไปด้วยเนี่ยนะเป็นเหตุให้ส่วนอื่นๆพร่องไปด้วย นั้นปัจจัยเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุที่สําคัญทั้งหมดแห่งวัตทุกขเพราะฉะนั้นเราบอกว่ารู้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีปัจจัยเขาเกิดขึ้นถ้าหมดปัจจัยเขาหมดไปเกิดด้วยปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะหมดปัจจัยถ้ า, าว่าเห็นเกิดขึ้นโดยปัจจัยละอะไรได้ธรรมะเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะ ถ้าเห็นว่าเกิดจากปัจจัยเนี่ยละอะไรได้ละกุดเชทฐิถิได้ะจะจะต่างจากตอนต้นนะตอนต้นบอกว่าจักขุสีเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะเช่นตาก็มาจากปัจจัยของตาสีก็มาจากปัจจัยของสีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ เป็นปัจจยะปริกหายาหรือธรรมะทิติยานหรือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เริ่มมาไข้ ค, ควนว่าเออสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดางหัวฝีแต่ว่าเขาได้ปัจจัยเขาเกิดนะเขาหมดปัจจัยเขาหมดไปอันนี้จะต่างจากครั้งก่อนแต่พื้นฐานมาจากการรู้ปัจจัยจากครั้งก่อนเพราะถ้าหากว่ารู้ว่าเกิดจากปัจจัยอันนี้เรียกว่ารู้สมุทยัยสถ้ารู้ว่าถ้าปัจจัยหมด สิ่งเหล่านั้นก็หมดอันนี้เรียกรู้สัจจะไหนรู้นิโรธสัจแต่เป็นโลปิยะเนี่ยนะรู้ว่าในระหว่างนั้นเขาบอกว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นต้นจะเกิดะนะรู้ว่าทางและไม่ใช่ทางในระหว่างนั้นเนี่ยโอ้ยใครปฏิบัติได้ซึ้งขนาดนี้ก็วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นแสงสว่างเป็นต้นก็จะวูบว่าวาบเกิดขึ้นนะคันนี้ก็บอกว่าอนุภาพของความสว่างนี้จะแตกต่างกันมาก บางคนก็สว่างแค่รอบรอ บ, รอบภูติเพราว่าไงนะบางคนเนี่ยสว่างออกไปเป็นยดยศพระพุทธเจ้านี่สว่ า, วางเป็นจักรวังเนี่ยนะมองเห็นอะไรหมดเลยกะบอกว่าบางองค์เนี่ยปลาและเต่าอยู่ในน้ํายังมองเห็นเลยเขาว่าไงน้ำทะเลห่างออกไป16กิโเมตรเนี่ยนะด้วยอนุภาพของการพิจารณาธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าทําให้เกิดโอภาสเป็นต้นได้การที่เกิดโอภาสถ้าบอกว่เราบรรลุแล้วบรรลุแล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทาง ก็ทิ้งการพิจารณาไคร่ครวนขันห้าเหตุเกิดความดับพอเลิกทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทางก็หันมาพิจารณาตามเดิมอันนี้เป็นทางแล้วก็ปฏิบัติหรือตามเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสละคืนอันนี้เคาเรียกว่าเจริญอนุปัสนาทั้งหลายเป็นปฏิปทาานทัศนวิสุทธิแล้วก็บอกว่าเพราะอาจว่า เึงทราบวินิจฉัยในสุตะเป็นต้นบทนี้เพื่อจะทรงแสดงปหาณาปริญญาพร้อมทั้งมูลเหตุเรื่องสูงคือตั้งแต่ผาตั้งแต่ผ่านเห็นเกิดดับไปแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าพังคยานเนี่ยนะพังคยานไปแล้วเนี่ยเป็นปหาณาปริญญาแบบโลกิยะแต่ปหาณาปริญญาแบ่งออกเป็นสองระดับคือทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะตั้งแต่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจาัญญาได้ตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละ สุขสัญญาเป็นต้นได้อันนี้เป็นการละแบบโลกิยาถ้าหากว่าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นก็จะละแบบโลกุตระเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงปหาณะปริญญาพร้อมทั้งมูลเหตุเบื้องสูงแก่บัณฑิตผู้ตั้งอยู่ในยาตะปริญญาและตีระปริญญาจึงเริ่มคำเมียที่ว่า